ในะโอกาสต่อไปนี้จะได้กล่าวธรรมะเกี่ยวกับการปฏิบัติซึ่งท่านทั้งหลายก็ได้ศึกษาแหละปฏิบัติธรรมะมามากพอสมคูรการฟังธรรมเป็นสิ่งจําเป็นการเรียนธรรมก็เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับผู้ที่สนใจในธรรมะอันเป็นของจริง สิเนธรรมะของจริงคำว่าของจริงนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ประจําโลกมานมนานแล้วถ้าเราจะพูดกันอย่างไม่เกรงใจเราจะใช้คําว่าสิ่งที่มันเป็นจริงตามกฎธรรมชาตินั้นมีมาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิด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 แต่หากพระองค์รู้จริงเห็นจริงแล้วก็มาบัญญัติชื่อบัญญัติชื่อเอาไว้ <c oughs> เพื่อเป็นหลักสูตรให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาเช่นอริยสัจสี่คือทุกสมุทยัยนิโรธมักก็เป็นของจริงที่มีมาอยู่แล้วนมนาน พระพุทธเจ้าพระองค์ไหนมาตรัสรู้เราก็ยืนยันรับรองว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็มาตรัสรู้ธรรมของเกา่าของเก่าที่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเคยได้ตรัสรู้มาแล้วแม้สมเด็จพระ ส, โโสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา พระองค์ก็ามาตรัสโลอริยสัจกรรทำทั้งสี่อันเป็นของเก่าที่พระพุทธเจา้าองค์อื่นๆเคยตรัสโลมาแล้วโทสะโมไทยนิโรธมักเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วพระพุทธเจ้าเพียงแต่มาตรัสโลของจริง เราจะพิสูจน์พิจารณาได้ว่าชาติปิทุขขาความเกิดก็เป็นทุกข์ชาติทุกุขขาความแก่ก็เป็นทุกข์เมรณะปิทุกขังความตายก็เป็นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยย่อมจะมีได้ทุกๆสิ่ง ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตซึ่งเกิดมาในโลกนี้ไม่เฉพาะแต่คนและสัตว์แม้แต่ต้นไม้พืชพันธุ์พัญญาหารต่างๆเขาก็มีเกิดมีแก่มีตายเหมือนกันอันนี้เป็นความเป็นจริงโดยทั่วๆไป แต่สำหรับโศกะความโศกเศร้า <c oughs> ปริเทวะความลำลํายลำพัน <c oughs> สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความรู้สึกสัมผัสรล้ด้วยหิตใจ <c oughs> เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่เราถือว่ามันเป็นทวก ความโศกเศร้าความร่าไรความเหี่ยวแห้งใจความวิตโยคพลัดพรากแล้วก็ทําให้เรารู้สึกเกิดทุกข์ทุกข์อันนี้มันเป็นทุกข์ของสิ่งที่มีชีวิตจิตใจเป็นทุกข์ของคนและสัตว์ที่มีที่มีร่างกายและมีจิตมีใจเท่านั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่เคยมีจิตมีใจ และเคยได้รับภูษ์เหล่านี้มาแล้วพระบิดาของพระพุทธเจ้าพระมารดาของพระพุทธเจ้าย่อมเคยได้ประสบพูษ์ดังที่กล่าวมาแล้วก่อนพระพุทธเจ้าเกิดเพราะฉะนั้นความจริงอันนี้มันก็เป็นความจริงอันหนึง่งซึ่งเป็นสัจธรรมจัดเข้าในประเภทแห่งภูษ์ขาอริยสัจ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 แล้วก็มาบัญญัติศัพท์บัญญัติชื่อไว้สำหรับให้พวกเราเรียกขานและได้ดำเนินการปฏิบัติเพื่อให้เข้าไปรู้ของสิ่งอันนั้นซึ่งเรียกว่าทุกขริย y ั s a t และอีกอย่างหนึ่งคำว่าทุกในอริยสัตตนนเราหมายถึงพวกของสิ่งที่มีชีวิตจิตใจ เชิงในแตกต่างกันกับทุกในพระใจรักทุกในพระใจรักนั้นเป็นทุกษาธาณะทั่วไปทั้งของสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเช่นสิ่งธรรมชาติที่ไม่มีจิตมีใจเขาก็ย่อมมีการปรากฏขึ้นในเบื้องต้นทรงตัวอยู่ชั่วขณะหนึ่ง ในที่สุดต้องสลายตัวแม้ว่าตัวเขาเองจะรู้สึกไม่รู้สึกก็ตามแต่มันเป็นกฎธรรมชาติชนิดนั้นและสิ่งที่มีชีวิตก็อยู่ในกฎแห่งความเป็นเช่นนั้นเหมือนกันคนเราที่เกิดมาแล้วก็ทรงตัวอยู่ทั่วชีวิตหนึ่งในที่สุดก็ย่อมสลายตัวเหมือนกันความรู้สึกนึกคิดที่มีอยู่ในจิตในใจของเรา ก็มีปรากฏการ์ขึ้นชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ทรงตัวอยู่ในที่สุดต้องสลายตัวเหมือนกันซึ่งได้ในกฎพระบัญญัติของพระพุทธเจ้า ว, ว่าอ น, นิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่เจตัวไม่เจตนหรือหาความเป็นตัวเป็นตนไม่มีดังนั้นความเป็นไปของคำว่าทุกในอริยสัจ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 วิธีการที่จะพึงปฏิบัตินั้นเราเรียกกันโดยทั่วๆไปว่าสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานที่นี้หนทางที่จะเข้าไปสู่ความรู้จริงเห็นแจ้งในสภาวธรรมทั้งพวงนั้นเราจะหนีจากหลักแห่งการปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานไปไม่ได้ได้กล่าวแล้วว่าการศึกษาธรรมะ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 เอาตัวรู้ตัวเดียวตามรู้ตามเห็นไปทุกวาระจิตที่เรามีความคิดขึ้นอันนี้สำหรับผู้ที่เคยภาวนามาจนจำนี้จำนานแล้วสำหรับผู้ที่เริ่มใหม่เซึ่งจิตจังไม่เคยมีสมาธิและไม่เคยเกิดภาวะตัวผู้รู้ขึ้นมาในจิต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 มันมีโอกาสที่จะเผลอส่งกระแสไปทางอื่นหรือไม่นี่ให้เรากําหนดดูความจริงของจิตในตอนนี้ทีนี้ในขณะที่เราเลิกพุโทโธพุโทโธพุโทโธอยู่นั้นความรู้สึกของจิตนั้นมันมีอะไรบ้างเกิดขึ้นเจตอยู่กับพุโทโธไหมหรือว่ามันลืมพุโทโธเป็นบางครั้งบางขณะ ในขณะที่เลิมนั้นจิตมันไปอยู่ที่ไหนไปอยู่กับสิ่งภายนอกซึ่งเป็นอดีตสัญญาหรือว่าไปนิ่งว่างอยู่เฉยๆให้เราสังเกตดูความจริงในตอนนี้ทีนี้ถ้าหากว่าจิตของเราเลิมพุทโธแล้วมันไปอยู่ในกับสัญญาอดีตที่เราเคยนึกคิดได้จดจําซึ่งเป็นสิ่งอื่นนอกจาก พุ้โธนั่นแสดงว่าจิตของเราละทิ้งพุ้โธแล้วก็ไปยึดเอาอารมณ์เก่าแก่มาเป็นความรู้สึกนึกคิดตามวิสัยเดิมเป็นอาการของจิตฟุ้งส่านแต่ถ้าหากว่าจิตเลิมคำว่าพุ้โธแล้วเป็นนิ่งอยู่เฉยเมื่อมีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นผู้ภาวนาอยากไปนึกถึงพุ้โถอีก ให้กำหนดรู้ลมที่จิตเฉยๆอยู่แต่ในช่วงนี้ถ้าหากลมหายใจปลากฏดขึ้นในความรู้สึกก็ให้กำหนดรู้ลมหายใจเฉยอยู่เอาลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติจดจ้องดูอยู่อย่างนั้นอย่าไปสร้างความรู้สึกนึกคิดอะไรขึ้นมา และก็ไม่ต้องไปนึกว่าลมหายใจสั้นลมหายใจยาวเป็นแต่เพียงกําหนดรู้จดจ้องอยู่เฉยๆเท่านั้นความสัน้นความยาวความละเอียดความหยาบของลมหายใจเป็นสิ่งที่จิตรู้อยู่จิตจ่อมรู้ความสัน้นความยาวความยาบความละเอียดของลมหายใจอยู่ในที โดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปนึกสำคัญมั่นหมายว่าลมหายใจหยากลมหายใจละเอียดลมหายใจสั้นลมหายใจยาวหรือลมหายใจหายขาดไปแล้วกําหนดรู้ลงที่จิตตัวผู้รู้จดจ้องอยู่อย่างนั้นอันนี้เป็นวิธีการปฏิบัติในเบื้องต้น ในขณะที่ท่านกำหนดจดต้องดูอยู่ที่ลมหายใจเฉย อ, อยู่อะไรจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นไม่ต้องไปคำหนึ่งถึงท้งนั้นถ้าในช่วงนี้จิตมันเกิดความตว่างขึ้นมาก็าอย่าไปเอะใจกำหนดรู้ลงที่จิตอย่างเดียวหาเกิดภาพในมิตต่างๆขึ้นมาก็าอย่าไปเอะใจกำหนดรู้ลงที่จิตอย่างเดียว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 อันนี้ขอให้นักปฏิบัติทั้งหลายพึงระมัดระวังและในเมื่อท่านจดจ้องเอาจิตรู้อยู่ที่จิตและก็รู้อยู่ที่สิ่งที่จิตรู้ความตั้งใจกำหนดจดจ้องอยู่อย่างนี้ด้วยเจตนาท่านเรียกว่าวิตก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 อาการดูดดื่มของจิตนั้นเรียกว่าปีติปีติเกิดขึ้นทำให้รู้สึกกายเบาจิตเบาบางทีทำให้ตัวโยกโครงบางทีทำให้ตัวเหมือนกับจะลอยขึ้นสู่อากาศบางทีก็ทำให้รู้สึกหนักตัวซึ่งสุดแท้แต่อาการของจิตมันจะปรุงจะแต่งขึ้นให้ท่านกำหนดรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียว ตนนี้ปล่อยให้จิตมันตเตวอยปีติในเมื่อจิตมีปีติเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตไม่ฟุ้งซ่านไม่กระวนกระวายจิตก็มีแต่ความสุขแล้วก็จะดําเนินเข้าไปสู่สมาธิในขั้นละเอียดต่อๆไปเป็นลําดับซึ่งจุดแรกเราจะปรากฏว่าอุปจารสมาธิเกิดขึ้นมีความรู้สึกนิ่งสว่าง แต่ความรู้สึกในสิ่งภายนอกยังปรากฏอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆหรือปรากฏอย่างละเอียดในเมื่อเจตผ่านขั้นตอนขั้นนี้ไปแล้ว <c oughs> เจตจะมีความสงบแน่วแน่นิ่งลงไปไปสู่ความเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าอัปปนาสมาธิหรือเอกขคตาในตอนนี้เจตของท่านสงบอย่างละเอียด มีแต่สภาวะจิตสงบนิ่งสว่างอยู่อย่างเดียวสมาธิขั้นต้นนี้โดยส่วนมากในเมื่อจิตสงบลงไปถึงขั้นอัปปะตาสมาธิหรือเอกะขะตาอย่างแท้จริงแล้วเราจะรู้สึกว่ากายหายไปหมดยังเหลือแต่จิตดวงเดียวล้วนๆแล้วในตอนนี้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 จจตอย่างนี้ท่านเรียกว่าปฐมมจิตเรียกว่าปฐมบิญญาณเรียกว่ามโนธาตุเป็นเหตุให้ผู้ภาวนาได้รู้สภาพความเป็นจริงของจิตดั้งเดิมของตัวเองเือจิตที่ไม่มีอะไรนั้นมันมีลักษณะอย่างไรแล้วเราจะรู้ในตอนนี้และเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิในขั้นนี้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 เมื่อจิตผ่านความเป็นสมาธิอย่างนี้บ่อยๆเข้าสิ่งที่จะพึงได้เป็นผลตามมาก็คือความมีสติสัมปชัญญะจะค่อยปลากรุขึ้นทีละน้อยๆในขั้นแรกจิตสงบเพียงครั้งสองครั้งเมื่อจิตออกจากสมาธิขั้นนี้แล้วมันก็จะถอยโผด่ๆออกมาโดยไม่กำหนดอะไรเลยออกมาโูวความ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 เจ็ ต, ตัวผู้รู้ก็จะปรากฏรู้อยู่ส่วนหนึ่งต่างหากและสิ่งที่ออกไปคิดค้นคว้าในอารมณ์นั้นก็จะมีอยู่อีกส่วนหนึ่งต่างหากมองๆดูแล้วคล้ายๆกับว่าเราคนเดียวมีจิตสองจิตมีใจสองใจแต่แท้ที่จริงมันก็เป็นใจเดียวนั่นแหละแต่ใจหนึ่งจิตหนึ่งมันสงบนิ่งเป็นตัวผู้รู้เพราะอาศัยพลังของสติ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 อาการของกิเลสมันก็ไม่มีมีต่รู้เฉยอยู่อะไรรู้ขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปรู้ขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปใ น, นเมื่อจิตมันสงละเอียดลงไปปัญญาสติตัวนี้มันละเอียดลงไปรู้ทันกันอย่างละเอียดลงไปโดยไม่ขาดสายสายสัมพันธ์แห่งสติมันเชื่อมโยงกันอยู่ตลอดเวลา ความรู้ความคิดที่เกิดขึ้นในจิตนั้นมันจึงกลายเป็นตัวปัญญาที่ว่ารู้รมเห็นทำ ร, รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมในขั้นวิปัสสนากรรมฐานนั้นก็หมายถึงรู้ทันความคิดที่เราเคยคิดอยู่ตั้งแต่ก่อนที่ยังไม่ภาวนาหรือภาวนาไม่เป็นเมื่อเราภาวนาเป็นแล้วมีสติมีสมาธิดี เรียวกว่ามีพละฆ้าพร้อมจิ่จิตมีสทาวิยะสติสมาธิปัญญาพร้อมมีศีลสมาธิปัญญารวมพร้อ ม, ม, ม, ญญ ม, อมลงเป็นหนึ่งตัวที่ปรากฏเด่นชัดให้เรามองเห็นก็คือความมีสติความรู้เท่าทันอารมณ์นั้นๆทีนี้ความคิดที่เคยทําให้เราวุ่นวายเดือดรอนอยู่นั่นแหะมันจะกลับกลายมาเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติ เมื่อจิตกับสติประกอบพลังเป็นอันเดียวกันแล้วรู้ทันเหตุการณ์นั้นๆมันก็กลายเป็นตัวปัญญาจึงเกิดเป็นตัววิปัสสนาขึ้นมาด้วยประการละนี้ต่อนนี้ไปขอท่านทั้งหลายได้โปรดกำหนดจิตลงกำหนดรู้ลงที่จิต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 บางทีมันอาจจะรู้ซึ่งลงไปว่าความคิดอ่านทั้งหลายเหล่านี้มันก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาซึ่งมันจะรู้อยู่ในทีแต่มันจะไม่ว่าอนิจจงทุกขังอนัตตาขึ้นมาเมื่อมันรู้มันก็รวมลงไปสู่ความว่ายังกินจิสมุทยายะธรรมมังสัพพันตังนิโรทัทธ ม, มันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดา ความเห็นความรู้ในขั้นสุดยอดมันมีเพียงแค่นี้ใครจะเทศไปยังไงอธิบายไปยังไงพิจารณาไปอย่างไรในเมื่อเจิตมันรู้แจ้งเห็นจริงลงไปมันก็มีแต่ยังกินจิสมุทัยธรรมอย่างเดียวเท่านั้นเพราะความรู้อันนี้มันไม่มันอยู่เหนือสมมติบัญญัติอยู่เหนือโลกเป็นความรู้ขั้นโลกุตตระธรรมเมื่อท่านอญญากทัญญารู้แล้วเห็นแล้วพระพุใจเจ้าก็ยอมรับว่าเป็นพระโสดาบัน ในเมื่อได้เป็นพระโสดาบันแล้วจากพุ่งอุทปาธิจากสุขของท่านสว่างโปร่งขึ้นมาปัญญาอุทปาธิปัญญาความรู้รอบสามารถทรงตัวได้อยู่ในสภาพปกติเป็นองค์อริยมรรคก็สว่างโปร่งขึ้นมาวิชาอุทปาธิความรู้แจ้งเห็นจริงความรู้แจ้งเห็นจริงปรากฏขึ้นเมื่อวิชาความรู้แจ้งเห็นจริงปรากฏขึ้นแล้ว มันก็สามารถขับไล่อวิชชาคือความไม่รู้ให้หมดไปอาโลโกุตปาติภูมิจิตของท่านจึงสว่างไสวไม่มีที่ส้ด ส, สุดสว่างไปทั่วโลกทีนี้พวกเทวดาภูมิเทวดาอากาศักะเทวดาจงกระทั่งพรหมโลก ก็ส่งเสียงอึงคันหนึ่งบอกข่าวกัต่อไปว่าพระอรหัสตอรหันต์ปสมวาสาวกเกิดขึ้นในโลกแล้วเสียงดังเกิดกกล้องไปจกนกระทั่งท่านอากนิษฐาผลมที่เราสวดต่อท้ายรรมาจากกัปวัตนสูตรวันนั้นไปเทศที่วัดบวรมีอุบาสกอุบาสิกาสวดก็หมายถึงสวดว่าสวดเรื่องของเทวดาได้รู้ว่าท่านัญญาโกลทัญญาได้ดวงตาเห็นธรรม แล้วก็ได้บรรลุปโสดาบันมีความเื่นชมยินดีแล้วก็บอกต่อๆกันไปเป็นท่านๆจนกระทั่งถึงท่นาน อ, าอาานิธาผมทำไมจิงเทเสวดาจิงรู้ก็เพราะว่าท่านอัญญาโกลทัญญะนี่ได้รู้ทาเห็นทาแล้วดวงจิตของท่านสว่างสวยัยแผ่รัศมีครอบคลุมโลกสว่างไปหมดมันก็กระทบกระเทือนถึงจิตใจของเทวดา เทวดามีความแตกตื่นโกลาหลก็บอกข่าวต่อๆกันไปอันนี้คือความอัศจรรย์ของธรรมะที่เกิดขึ้นภายในจิตของผู้ปฏิบัติมีท่านอัญญาโกณทัญญะเป็นตัวอย่างเอาละตอนนี้ไปเป็นอันว่ายุบเทศแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงกำหนดจิตทำความสงบจนจกว่าจะถึงเวลาอันสมควรและต่อต่อไปนี้เป็นรายการแกบปัญหาธรรมะ เสงรู้สึกว่ามีผู้เขียนคำถามมามากไม่ทราบว่าจะตอบไหวหรือเปล่าก็ไม่ทราบสำหรับปัญหาของท่าน อ, อันดับแรกมีคำถามว่าขณะที่อยู่ในสมาธิเข้าไปอยู่ในองค์ชานขณะที่อยู่ในองค์ชานมีแสงสว่างจ้าใสาแจว๋วเหมือนสุมไก่ขนาดใหญ่ครอบตัว ในขณะนั้นจิตสงบนิ่งอยู่ในแสงสว่างที่ครอบตัวอยู่อย่างสบายไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวไม่รู้ปวดเมื่อยทั้งสิน้นจิตสงบนิ่งจิตเป็นกลางนานถึงหนึ่งชั่วโมงอยากจะเรียนถามว่าในลักษณะนี้เรียกว่าฌานสี่ใช่หรือไม่ทำไมจึงถ้าไม่ใช่จะจัดเป็นฌานที่เท่าใดการกำหนด โลเพื่อจะให้กำหนดโูลกักษณะของจิตเดินฌานฌานในขั้นต้นนี้เรียกว่ารูปฌานมีอยู่สี่ขั้นการทำสมาธิบรรลุฌานขั้นที่หนึ่งประกอบด้วยองค์ห้าคือจิตยังมีวิตกมีวิจารปีติสุขเอกัคคตาอยู่กลม จิตอยู่ในฌานขั้นนี้มีลักษณะจิตสงบนิ่งใสสว่างผู้ถ้าหากว่าจิตในขั้นนี้ยังมีปรากฏองค์ฌานอยู่ครบทั้งห้าคือยังมีวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกคตาอยู่พร้อมก็เรียกว่าจิตอยู่ในฌานขั้นที่หนึ่งถ้าหากว่าผู้ปฏิบัตินั้นไม่สามารถที่จะเข้าฌานแบบนี้ได้ ซึ่งความเป็นของจิตอาจจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญคือการเข้าฌานยังไม่ชำนิชำนานยังไม่เป็นวสีลักษณะของฌานที่ปรากฏขึ้นนี้เป็นแต่เพียงปุปพานิมิตถ้าผู้ที่ได้ฌานจริงๆต้องสามารถกำหนดทำสมาธิเข้าฌานได้ตามที่ตนต้องการทุกขณะ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 ขอตอบรวมกันเลยสำหรับฌานขั้นที่หนึ่งได้ตอบไปแล้วที่ี้ฌานขั้นที่สองถ้าจิตมีลักษณะสงบนิ่งไม่มีวิตกไม่มีวิจารจิตมีความสว่างสวัยมีความรู้สึกมีปีติมีสุขแล้วมีความเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเอกขคาตา อันนี้จิตอยู่ในฌานขั้นที่สองเรียกว่าทุติยฌานถ้าหากปีติหายไปยังเหลือแต่สุขกับเอกัคตาจิตอยู่ในฌานขั้นที่สามถ้าสุขหายไปยังเหลืออยู่แต่เอกัคขตากับอุเบกขาซึ่งในขั้นนี้จิตมีลักษณะแห่งความเป็นหนึ่ง ถ้าจะว่าโดยสมาธิก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิว่าโดยฌานเรียกอัปปนาฌานว่าโดยจิตเรียกว่าอัปปนาจิตอันนี้จิตอยู่ในฌานขั้นที่สี่ซึ่งประกอบด้วยองสองมีความเป็นหนึ่งคือเอกคตาแล้วก็มีความบางเฉยคืคออุบเบขาเป็นลักษณะ ผู้ ท, ที่ได้ชานข้นอที่สามผู้ที่ได้ฌานขั้นผู้ได้ฌานสี่แล้วจะพ้นอบายยภูมิไม่ใช่ใช่หรือไม่ถ้าได้ฌานสี่แล้วถ้าตายในขณะอยู่ในฌานพ้นอบายจะภูมิชั่วขนาดหนึ่งตายแล้วไปเกิดเป็นรูปพรมเมื่อกำลังฌานเสื่อมแล้วบางทีบาปกรรมยังติดอยู่จุดตีจากพรหมแล้วก็ลงนรกยังไม่พ้นอบายที่แน่นอน คนทั่วขณะที่อยู่ในฌานและภูมิจิตอยู่ในฌานคือว่าการอยู่ในฌานเนี่ยสมาธิในฌานนี่มันจเจริญได้ง่ายแล้วก็เสื่อมง่ายดังเช่นโลกสิธของท่านประมหากับสปากได้าเำ็จฌานสมาบัติแล้วไปไหนเหาะไปเหาะไปอาจารย์เตือนว่าอย่าประมาทอยู่มาวันหนึ่ง สามเมล็ดเข้าชานแล้วก็เหาะไปในอากาศพอดีอยู่ในระหว่างอากาศนั่นแหละระหว่างที่อยู่ในอากาศนั้นจิตถอนจากชานก็พ อ, พอได้ยินอบาบังเอิญได้ยินเสียงอสตรีร้องเพลงจิตเกิดมีความยินดีขึ้นมาพับหนึ่งเข้าชานไม่ทนันชานเสื่อมเลยตกลงจากอากาศแต่กระดูกสี่โครงไม่หักเพราะกําลังชานนั้น ช่วยพยุงอยู่เพราะฉะนั้นคำว่าฌานฌานเนี่ย <c oughs> จะมีได้เฉพาะเวลาที่ผู้ปฏิบัติตั้งใจจะเข้าอยู่ในฌานเท่านั้น <c oughs> เมื่อออกมามาอยู่ในภาวะธรรมดาอย่างนี้ฌานไม่มีเพราะฉะนั้นการบรรลุฌานจึงไม่เป็นแนวทางที่ให้ตัดสู้เพราะมันมีเสื่อมมีเจริญ ชาหะก็ผู้ที่เข้าฌานไม่ชำนิชำลานเมื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเข้าฌานไม่ทันก็เอาตัวรอดไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นสามมณีนกสิตประมหากสปะเหาะไปในอากาศเย็ดถอนจากฌานเพียงขณะเดียวตัว น, นั้นสัมผัสกับเสียงที่เป็นที่ยินดีฌานเสื่อมก็เลยตกลงมาจากอากาศเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ฌานสี่แล้วยังไม่พ้นอาบายวะปุม พ้นเฉพาะเวลาที่อยู่ในฌานเท่านั้นเองอข้อสีขณะที่อยู่ในองค์ฌานก็ดีหรือปฏิบัติอยู่ในขั้นอัปปนาสมาธิก็ดีทั้งสองระดับนี้มีแต่ความสงบนิ่งถ้ามีนิมิตถ้ามีนิเมิตก็รวยอํานาจของฌานบ้างของสมาธิบ้างแต่ปัญญาไม่เกิดถ้าจะให้ปัญญาเกิด ต้องถอนสมาธิจากระดับจิตอถอนสมาธิจากระดับหนึ่งมาสู่อีกระดับหนึ่งความรู้จริงจะเกิดขึ้นขอเรียนถามว่าทาไมจึงเป็นเช่นนั้นโดยธรรมชาติของจิตที่อยู่ในอปปนาสมาธิหรืออยู่ในฌานสมาธิตั้งแต่ระดับฌานขั้นที่สามขั้นที่สีติยาฌานจะตุทะฌ า, าน เป็นสมาธิที่เป็นเองโดยธรรมชาติซึ่งผู้ปฏิบัติปราศจากการประครับประคองจิตหรือปราศจากความตั้งใจใดๆทั้งสิ้นจิตจะอยู่ในฌานขั้นที่สามที่สี่เป็นสภาว่า จ, จิตที่เป็นเองโดยพลังของตัวเองคือพลังของสมาธินั่นเองในช่วงนี้จิตจะไม่มีอาการแห่งความรู้สึกนึกคิดใดๆ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 ปราศจากสัญญาเจตนาใดๆทั้งสิ้นเจตนาที่จะให้จิตอยู่อย่างนั้นไม่มีเจตนาที่จะให้จิตถอนไม่มีคือมันไล่สมถภาพโดยประการทั้งปวงแต่จิตจะถอนออกมาได้ก็ต่อเมื่อถึงการเวลาที่จะถอนออกมาเองทีนี้ในตอนต่อไปอทำไมจึงเป็นเช่นนั้นที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะธรรมชาติของจิต อยู่ในชาญขั้นนี้มันเป็นอย่างนั้นถ้าปัญญาจะเกิดเกิดอยู่ในขั้นอุปจาระสมาธิหรือขั้นอัปปนาเพราะผู้ภาวนายังจับไม่ค่อยได้เพราะในระหว่างนั้นอยู่ในขั้นปล่อยวางาปัญญาอันเป็นความคิดพอที่จะล้อมเลิกพิจารณาอะไรได้นั้นอยู่ในขั้นอุปจาระสมาธิ ปัญญาที่เกิดขึ้นในขั้นอุปจาระสมาธินี้เป็นความคิดที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ได้ตั้งใจแต่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจิตยังมีความสาคัญมั่นหมายว่าอะไรเป็นอะไรเช่นจิตมองเห็นโลกภาษาที่เรียกว่ารูปก็ยังมีอยู่จิตมองเห็นจิตภาษาที่เรียกว่าจิตก็ยังมีอยู่ เจตโลเห็นอะไรก็ยังมีการพักทวงว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งนั้นซึ่งมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติความรู้ในขั้นอุปจารสมาธินี่ยังมีสมมติบัญญัติยังมีชื่อที่จะเรียกสิ่งนั้นๆว่าเป็นอะไรทีนี้เมื่อเจตมันตามโลตามเห็นความโลพรมโลในขั้นอุปจารสมาธิถ้าหากว่าจิตมันจะรู้ซึ่งเห็นจริงลงไปแล้ว มันจะแสดงอาการรวมลงเป็นสมาธิลึกลงไปอีกขั้นหนึ่งไปสู่ความว่างความว่างอันนี้ก็คืออัปปนาสมาธิที่นี้ในอัปปนาสมาธิในขั้นนี้ถ้าหากว่าจิตเคยผ่านการพิจารณาสภาวะธรรมมาแล้วจิตจะเกิดภพมความรู้ขึ้นมาแต่ภูมความรู้อันนี้อยู่ในขั้นละเอียดมาก เทียงแต่สักว่ามีสิ่งรู้แต่ไม่มีสมมติปัญญาตในสิ่งรู้นั้นว่าเป็นอะไรมีแต่สิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ก็อย่างที่ในท้ายธรรมจักปรปวัตนสูตรที่ได้อธิบายตอนท้ายธรรมเทศนาการนี้ที่ทันยญาโกลทันญะเห็นธรรมจริงใดสิ่งหนึ่งนั่นเองและการรู้ธรรมของจริงนี่มีแต่รู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้น ถ้าสิ่งใดที่ยังรู้มีสมมติบัญญัติสิ่งนั้นยังไม่เป็นของจริงถ้าสิ่งใดรู้เห็นแล้วอยู่เหนือสมมติบัญญัติเพียงแต่ศึกว่ารู้ว่าเห็นสิ่งนั้นจริงจะเป็นของจริงเพราะฉะนั้นอัปปนาสมาธิหรือสมาถาอย่างละเอียดเนี่ยสมาถาอัปปนาสมาธิขั้นหนึ่งจิตไปนิ่งว่างอยู่เฉยๆไม่เกิดความรู้ แต่อัปนาสมาธิซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่จิตได้พิจารณาสภาวธรรมแล้วย่อมเกิดความรู้ขึ้นอย่างละเอียดอันนี้ถ้าหากว่าใครยังไม่ได้ผ่านแล้วบางทีอาจจะหัวเราะแต่ถ้าพรหมจิตผ่านแล้วหายสงสัยซึ่งบางทีในตำรับตำราอาจจะไม่ได้เขียนไว้หรือเขียนไว้เราอาจจะค้นไม่เจอก็ได้ แต่ถ้าหากว่าเราหมั่นีิพิจารณาหมั่นทำหมั่นภาวนาแล้วสิ่งเหล่านี้จะผ่านเข้ามาในความรู้สึกของเราเองอในเมื่อพูดถึงก่อนนี้แล้วแม้ว่าในหลักการของการเจริญอสุภกรรมาฐานที่มีบทสอนว่าให้พิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามน่าเกลียดโสโครเป็นอสุภะเน่าเปือ่อยผุพังเป็นธาตุสี่ที่ น, น้าลมไฟ การน้อมเลอกพิจรารณาล้อมไปในแง่ที่ว่าเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอสุภนั้นเป็นแต่เพียงระดับขั้นใช้ความคิดเป็นการปรับปรุงปฏิปทาเป็นแนวชักจูงจิตให้เกิดความเชื่อมัน่นว่าสิ่งที่พิจรารณานั้นจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอบายให้จิตน้อมใจเชื่อเป็นแนวทางให้เกิด ส, สตสิปัญญา แต่เมื่อจิตสงบปลงไปจริงๆแล้วเมื่อจิตเห็นสุภาษจริงๆยังสมมติว่าจิตมันอาจจะถอนออกจากร่างยังเหลือแต่จิตดวงเดียวยังสามารถมองเห็นร่างกายของตัวเองที่นอนเหยียดยาวอยู่เมื่ออาการแห่งความปฏิกริของปฏิกริปรากฏขึ้นเช่นร่างกายขึ้นอืด น, น้ำเหลืองไหลเนื้อหนังเน่าเปื่อยผุพังเป็นชิ้น ซึ่งล้วนแต่มีลักษณะแสดงให้ให้มีความรู้สึกรังเกียดแต่สภาวะจิต ท, ทีู่โเห็นนั้นไม่ได้เกิดความรังเกียจเพราะในขณะนั้นจิตสักแต่ว่าโลห็นอยู่เฉยๆความรู้สึกกินดียินได้ความรู้สึกว่าสวยไม่สวยไม่มีมีแต่สภาวะเสมอกันหมดในบางครั้งในเมื่อภาพอสุภะมีเม็ดปรากฏขึ้นมา พร้อมๆกันนั้นอาจจะมีปรากฏภาพที่สวยงามที่สุดมาเป็นเครื่องเปรียบเทียบเมื่อจิตของผู้ภาวนาเพ่งมองสิ่งที่เูาเห็นอยู่นั้นความรู้สึกระหว่างของเน่าเปื่อยกับของที่มีสภาพดีและสวยงามมีสภาพเสมอกันหมดอันนี้คือความเป็นจริงในปรากฏการที่เกิดขึ้นในจิตของท่านผู้ภาวนาแต่ว่าจะเป็นเรื่องผิดถูกอย่างไรก็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 เมื่อไม่นานมานี้มีท่านผู้หนึ่งเขียนจดหมายไปถามเกี่ยวกับเรื่องจิตเดินฌานแต่ยังไม่ได้ตอบจดหมายนั้นไปยังผู้ถามจิงจะขอถือโอกาสนี้อตอบในข้อที่ว่าท่านผู้นั้นถามว่าทำไมนเนืมาจิตเดินฌานในระยะแรกนั้นเราสามารถกำหนดวิโตกวิจารตีสุขเอกข้าตากาหนดโลชัดเป็นขั้นตอนแต่เมื่อนหนักเข้าทาไมกำหนดไม่ได้ ภูมิจิตมันเสื่อมหรือ ว, ว่ามันจเจริญมันผิดหรือมันถูกอันนี้ขอตอบว่าเป็นธรรมชาติของภูมิจิตที่เดินอยู่ในฌานที่ชำนิชำนาญแล้วในขั้นแรกๆพอจิตนึกวิตกวิจาร์เกิดปีติจิตมันเพิ่งจะได้ดื่มรสแห่งปิติและความสุขจากสมาธิมันก็ยับยั้งอยู่เป็นเวลานานเมื่อจิตผ่านองค์ฌานบ่อยๆเข้าความชำนิชำนาญก็เกิดขึ้น และความติดสุขในขั้นฌานย่อมจางไปเนื่องจากความชานิชานาญของภูมิจิตที่เดินฌานและจิตที่มีความรู้สึกอิ่มในรสแห่งปีติและความสุขไม่ติดในความสุขอันนั้นเพราะฉะนั้นในการเข้าฌานในครั้ ง, งต่อมาจึงทำให้รู้สึกว่ารวดเร็วมาก แล้วอจนกระทั่งผู้เข้าฌานไม่สามารถจะกําหนดได้ว่าปีติสุกเอกคตาเป็นอย่างไรพอกําหนดเจตพับปรงที่ตัวรู้บางทียังไม่นึกถึงคําบริกรรมภาวนาสายตายังไม่ได้เพ่งนิมิตเจตลวมโ บ, บเข้าวิ่งขึน้นเข้าไปสู่ฌานขั้นที่สี่โดยที่กําหนดวิตกวิจารปีติสุกเอกคตาไม่ทนันอันนี้เป็นธรรมชาติของจิตที่เดินคล่องในองค์ฌานไม่มีผิด ข้อห้าทำไมเมื่อออกจากสมาธิแล้วบางครั้งจะมีความรู้แปลกๆเกิดขึ้นซึ่งคาดไม่ถึงทำไมจึงเป็นเช่นนั้นและความรู้ที่ออกจากสมาธิใหม่ๆพอจะเชื่อได้หรือไม่ว่าเป็นความจริงอันนี้เป็นธรรมชาติของจิตที่ฝึกขัดสมาธิติดต่อการทําสมาธิแต่ละครั้งละครั้งบางทีอาจจะไม่เกิดความสงบแต่ความรู้แจ้งเห็นจริง โอปปติบาตันรู้สึกเหน็ดเหนื่อยโดยเปล่าปราศจากประโยชน์ไม่ได้ผลอันใดแต่ถึงกระนั้นการกระทํานั้นก็สะสมกําลังไว้ทีละเล็กทีละน้อยธรรมะเป็นอากาลิโกได้จังหวะเมื่อไหร่ก็เกิดความรู้แปลกๆขึ้นมาเมื่อนั้นในบางครั้งก็เกิดขึ้นมาอย่างลอยๆในบางครั้งก็อาศัยอดีตสัญญามากระตุน้นในบางครั้งก็มีเหตุการณ์ในปัจจุบันกระตุ้นให้เกิดความรู้ขึ้นมา อันนี้เป็นธรรมชาติของจิตของผู้ที่ผ่านการฝึกฝนอบรมสมาธิมาแล้วพอสมควรต่อปัญหาของขั้นที่สองไม่เข้าใจในศีลบางข้ออยากจะเรียนถามว่าศีลข้อที่หกวิการโภชนะคือห้ามทานอาหารเกินเที่ยงหนทำงานทักเที่ยงกว่าจะทานเสร็จก็เกือบเที่ยงครึ่ง ถ้าหนูถือศีลแปดหนูอยากจะกล่าวว่าศีลข้อนี้จะขาดหรือเปล่าการกำหนดวิกาลโภชนะนั้นถือเอาเวลาลุ่งอรุณไปถึงตะวันเทียงตะวันะตะวันคล้อยไปเพียงสององคุรีถือว่าเป็นวิกาลโพเป็นเวลาบ่ายอันนี้การถือศีลหรือการรักษาศีลเนี่ยถ้าเรามีความจำเป็น หรือไม่มีโอกาสที่จะทําได้สะดกเรื่องเศษแปดนี้ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปยึดให้มากนักเพียงแต่แข่งในเศษห้าข้อเท่านั้นก็สามารถบําเพ็ญสมาธิบรรลุมรรคผลนิพพานได้แล้วก็กลับจะสบายซีการถือเีษเกินกว่าห้านี่ยถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติเราปฏิบัติไม่ได้จริงๆแล้วมันจะเป็นการสร้างบาปให้แก่ตัวเองอย่างไม่มีเหตุผล วบ้านธรรมดาที่แข้งอยู่ในศีลห้าเขาทานข้าวเย็นได้มีครอบมีครัวได้ใช้เครื่องประดับตกแต่งได้จะทำอะไรก็ได้ถ้าไม่ละเมิดศีลห้าข้อและการละเมิดนั้นไม่เป็นบาปเป็นกรรมแต่ถ้าเราตั้งเจสนาลงไปว่าจะรักษาแต่รักษาไม่ได้แล้วเป็นการสร้างแล้วลบให้แก่ตัวเองเพราะฉะนั้น ถ้ายังไม่สามารถหรือมีเวลาโอกาสไม่เพียงพอแล้วอย่าลิมันจะเป็นการสร้างบาปให้กับตัวเองยกตัวอย่างเช่นในสมัยครังอดีตมีพระภิกษุมือบอลไม่สำรวมล่องเรือไปในลำแม่น้ำบังเอิญเอื้อมมือไปจับใบไม้เรือวิ่งไปโดยความเร็วเพราะน้ำมันเชี่ยวใบไม้ขาดไปพระต้องอบัติปาจิตต แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ได้แสดงอาบัติพระองค์นั่นบําเพ็ญเพียรอยู่ตั้งสองหมื่นปีไม่สําเร็จมรรคผลนิพพานใดๆไม่รู้ทำเห็นทำแต่เป็นฆราวาสแล้วจะถางป่าขุดดินแล้วก็ไปภาวนาอย่างสําเร็จมรรคผลนิพพานได้พระเถรศีลสองร้อยี่สิบเศษไปเด็ดไปไม้ใบเดียวภาวนาไม่รู้ทำเห็นรำเราจ ะ, ะนั่นการที่เราจะเพิ่มศีลของเราให้มากขึ้นมากขึ้นเนี่ ต้องพิจารณาดูสมรรถภาพของเราสิ่งที่จําเป็นที่สุดก็คือว่าให้แข้งในศีลห้าข้อเมื่อแข้งในศีลห้าข้อแล้วศีลอื่นๆนั่นอ่ะมันค่อยกระเถิบขึ้นไปเองอสําหรับปัญหาของทัานนี้ขอตอบเพียงแค่นี้อีกปัญหาข้อต่อไปเวลานั่งโสดมนต์เดินจงกรมหรือว่ากําหนดสติอยู่ที่ปลาย อ, อยู่ที่กายแล้วทุกอย่างจะรู้สึกเหมือนมีอะไรแทงเข้าไปตรงแสกหน้า ภายในเสมอปวดหัวก็ไม่ใช่เพราะปกติอยู่มันหลวงเข้ามาภายในรู้สึกจะอยู่เหนือจมูกขึ้นไปหน่อยโทษไม่ถูกขณะเขียนอยู่นี้ก็ยังยังเป็นอยู่เลยอันนี้เป็นความรู้สึกโดยปกติแล้วความรู้สึกนี่มันเพ่งไปข้างหน้าแต่สิ่งที่รู้สึกว่าแทงแทงเข้าตรงหน้าผากนั่นเป็นกระแสะจิตที่เพ่งตรงออกไปทางหน้าผากมาก พวกนักใช้พลังจิตเขาว่าพลังจิตนี่มันออกตรงหน้าผากระหว่างเหนื อ, อเหนือคิ้วขึ้นไปหน่อยตรงนี้ตรงกลางตรงแสกหน้านี่อันนี้เป็นเรื่องของธรรมดาเมื่อทำนานๆเข้าอุปาทานความเย็ดในสิ่งเหล่านี้มันก็จะค่อยจางหายไปแล้วจะกลายเป็นปกติ